ศเป็นไงะพอมารู้ความนานของลมแล้วเป็นไงปัญหามันเบาลงไปเยอะไหมจากการฮะมันเบาไปเยอะเลยใช่ไหมไอ้ปัญหาเดิมๆ ม, มันจะค่อยๆหายไปของศีรษะเนี่ยเช่นปัญหาจากการนจิตมันจมแล้วจิตมันเห็นแล้วมันมีอาการปรุงในลึ ก, ลก มันก็จะค่อยๆหายไปจากที่เคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนั้นเป็นบ่อยแล้วก็ใครก็แก้ให้ไม่ได้เพราะว่าเหตุมันปรุงมาจากข้างในพอยอดมาดูลมยาวแบบนี้มันก็จะหายไปใช่ใช่มันมันใช่ตอนนั้นมันจะจอดแล้วมันมันก็ไปเรื่อยใช่ใช เ อ, อเ อ, อเออเ อ, อ, อันนี้เพิ่งหายวันนี้หรือว่าหายก่อนนี้ก็ัจกคุยกับคุณสุวรรณเมื่อรอบที่บ้านอ๋อเหรออยอ๋อแล้วก็เาจัทางถูกว่าจะหาอ่ตอนะครับชัดชชยเป็นไงอ่ะ ได้ปรับไหมปรับไหมการดู้ลมนี่ปรับไหมวันนี้ลองปรับดูไหมพุโทโธมันโผล่มาไหมนะโผล่มาแล้วทําไงก็กลับไปใหม่นะกลับไปใหม่แล้วก็ปรับมันปรับมันป ร, รับไม่ใช่บังคับให้เลิกพุโทโธนะแต่ว่าในขณะที่รู้ลมวางไว้ก่อน ถ้รารรู้ลมรู้ลมปั๊บมันจะโผล่มาใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราถอยถอยเอาตัวรู้มารู้ลมตนเอาเขามารู้ความนานของลมโดยอาศัยนิมิตเป็นฐานตัวรู้นั่นอ่ะเขาจะอยู่ในจุดที่เป็นกลางเขาจะไม่ไปกําหนดอยู่ที่ลมไม่กําหนดอยู่ที่นิมิตและอะไรก็มาแทรกเขาไม่ได้พุดก็มาแทรกไม่ได้โท่ก็มาแทรกไม่ได้รู้ตรงนั้น เพราะเขาจะรู้ตามความเป็นจริงพุทธโตไม่ใช่ความเป็นจริงที่เกิดมาในขณะนั้นสนทนากันด้วยเรื่องที่นั่งเมื่ อ, อกี้นี่เล่าให้ฟังที่เป็นยังไงบ้างความคิดเร <ผม S 1> <ส>กแสงจมจ ม, จมนานความคิดแล้วก็พูดเตือนอีกเราเอกลับมาโดยสุกตวนนอนนะเราแต่ยังไม่เห็นยังยิ่งยังไม่เห็น อืมนิมิตไม่ใช่เรื่องเห็นนะลองลองลองหายใจเข้าและรู้สึกกับลมหายใจเข้าดูสิลืมตาเนี่ยรู้สึกกับลมหายใจเข้ารู้สึกกับลมหายใจออก รู้สึกตรงไหนตองตอมใจจมูกรู้สึกตรงนั้นตรงนั้นเลยคือนิมิตนิมิตไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปจ้องเพ่งดูเห็นเข้าใจยังเข้าใจนั่นแ่ะคือนิมิตอันนั้นเป็นธรรมาชาติอย่างหนึ่งเข้าใจยังเข้าใจเอเ อ, อถ้าถ้าเราเฝ้ารู้ลมหายใจอยู่ตรงนี้นิมิตนี้แป๊บเดียวมันก็จะสัหบ อาการสงบก็คือว่าจิตไม่วันไหวไม่กระสับกระสายไม่วอกแวกไปในกิจอื่นใดคอยเว้ารู้ลมออกลมเข้าอยู่ตรงนิมิตนี่คือความสงบเข้าใจยังเข้าใจครับเออบอกถ้าไม่คุยมันจะเข้าใจได้ไหมลนะ่ะ <laughs> แต่เห็ยังไม่ค่อยแหกว่าใจออกไม่ใช่ตัวเราคือเป็นยังเป็นเรา อืมหายใจออกไม่ใช่ตัวเราหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเห็นบ้านไม่เห็นบ้านนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องเห็นว่าหรือไม่เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเห็นว่าหรือไม่เห็นว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นลมหายใจออกก็คือลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็คือลมหายใจเข้าเข้าใจไหมลมหายใจออกคืออะไร คือลมหายใจออก ล, ลมหายใจเข้าคืออะไรคือลมหายใจเข้าเราจะรู้หรือไม่รู้ลมหายใจออกมันก็คือลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันก็คือลมหายใจเข้าขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่ลมหายใจออกมีไหมมีครับมันเป็นอะไร มันเป็นลมหายใจออก ข, ขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่ลมหายใจเข้ามีไหมนี่ครับลมหายใจเข้ามันเป็นอะไรมันเป็นลมหายใจเข้า<ล>ไม่เป็นเราสักตัวหนึ่งใช่ไหม<ล>เอออีนี้ <laughs> ถึงเวลาที่จะรู้ลมหายใจออกและลมหายใจออกมันจะเป็นเราขึ้นมาได้อย่างไรรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจเข้ามันจะเป็นเราได้ยังไงถูกไหม เ, ออเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าไม่เป็นเราเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วลมหายใจออกไม่เป็นเราเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราจะพยายามไปดูลมหายใจออกที่มันไม่เป็นเรา <c oughs> เ อ, อ่เออเข้าใจย่างมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปพยายามรู้ว่ามันไม่เป็นเรา แค่รู้ไว้ชัดว่าลมหายใจออกคือลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็คือลมหายใจเข้าแค่นั้นอย่าไปพยายามรู้ว่าลมหายใจออกมันไม่ใช่เราลมหายใจเข้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ไปพยายามรู้อย่างนั้นให้รู้ว่าลมหายใจออกก็คือลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็คือลมหายใจเข้ามันไม่ใช่เราอยู่แล้วเออมีคาถามอะไรอีกยไม่ออกมา ยังไม่ออกมายังไม่ออกมากับเป็นนักเงินไปของของศรีรษกตั้งแต่ตั้งแต่ปรับการรู้ลมแบบแบบใหม่ๆไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมไอ้ที่เห็นเห็นอ่ะเมื่อก่อนจะชอบปล่อยให้มันให้มันจมให้มันจมแล้วมันมไม่รู้สึกตัวเลยเวลามันสุวรรณ ที่บ้านบ้านมันเต้อยแบบนะั้นก็การนั้นมาจะไม่ไม่มีอะไรเลยมันจะจมจะไปชอบกทับ น, นิ่งๆแล้วก็จะไรู้สึกตัวแล้วมันจะไป่ะตัวรู้มันไม่มีละอันนี้กลับมาอกับตัวรู้มันก็จะชอบไหลไปกับความหลงเขาเรียกว่าหลงไหลจมมันจะไปเรื่อย <laughs> ชอ บ, <laughs> ช, อบชอบหลับไปกับความหลงเขาเรียกว่าหลับไหล <laughs> จริงจริงอันนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่ากังคนังนิกันติตัหาจริยามันเป็นมันเป็นความพอใจความปรารถนาพอใจความปรารถนาให้มันเล่นไปกับอํานาจของความปรารถนาที่ว่าเล่นไปกับตานานี่สมาธิสัปริปันโถเป็นอันตรายของสมาธิของอนาปานสติ อืคือบางทีในรูปแบบที่มันเกิดมันมันเยอะนะเหมือนเหมือนเรานั่งรถไปในเมืองอะ่ะจอกนี้เมียนั่นจอกนั้นเมียนีน้ตรงนั้นเป็นขับตรงนั้นเป็นบาร์ตรงนั้นเป็นโรงหนังตรงนั้นเป็นห้างตรงนั้นมันเป็นเยอะเลยล่ะถ้าเราไปหลง อยู่กับที่ใดที่หนึ่งอ่ะการเดินทางก็ช่นับเหมือนกันเหมือน ก, นกันกันกับการรู้ลมอ่ะพอพอมันไหลไปกับสภาวะอันใดก็ตามที่มันปรากฏมันสภาวะมันสามารถปรากฏได้อยู่แล้วสภาวะที่มันจะปรากฏได้เพราะว่าไอการปรุงแต่งเรื่องราวที่มันมีเหตุปัจจัยเป็นแดนเกิดจากข้างนอกจากข้างนอกคือว่า ลมหายใจที่ออกจิตที่รู้ลมหายใจออกประคองความเพียรที่มันลงตัวอยู่อย่างนั้นนั่นคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวมีสติมีอุเบกขาเป็นฐานอยู่อย่างนั้นไม่ว่าลมจะยาวหรือลมจะสั้นแต่พอในขณะที่เขารู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้จิตนี้มันท่องเที่ยวมานานจิตเรานี่มันท่องเที่ยวมานานโดยเฉพาะวันนี้เมื่อวาน ปีนี้ปีที่แล้วชาตินี้ชาติที่แล้วมันมีเรื่องราวประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะๆแล้วทั้งหมดก็มีตะกอนตกอยู่ที่จิตตะกอนเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะดินนออะด้นรนออกไปที่จะดิ้นรนออกไปพอเราให้จิตรู้มาประคองรู้อยู่ตรงที่จุดหนึ่งสำหรับที่จะดูความยาวของลมหายใจออกดูความยาวของลมหายใจเข้าเนี่ย ให้เขาอยู่นิ่งๆอย่างนั้นอ่ะเาก็ต้องกวัดแกวงวังไหวใช่ไหมกวัดแกวงไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนปลาที่เ้าว่ายอยู่ในน้ำพอเราจับเข้ามาคาบทมันก็ต้องดิ้นรนเพื่อลงไปหาน้ำจิตนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเรียกยัตถาามะนิปตาหนังเขาจะมีปกติลนไหลไ ป, ไปตามสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใคร่สิ่งที่ชอบไอตัวคําว่าสิ่งที่ชอบเนี่ยไอสิ่งเนี่ยมันอยู่ข้างนอกไอชอบเนี่ยมันอยู่ข้างในจิตไหลไปในสิ่งที่ชอบคําว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่เนี่ยมันอยู่ข้างนอกเข้าใจปะเข้าใจไหมสิ่งที่เนี่ยมันอยู่อรรมตีความหมายสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยู่ข้างนอกชอบอยู่ข้างในเข้าใจไหม มันจะไหลไปยัตถากามานิปาที่นางจินี้มักไหลไปในสิ่งที่ชอบเสมอไอชอบนี่มันอยู่ข้างในสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกไหลไปในสิ่งที่ชอบมันมันมันออกไปทั้งดวงจิตไหลไปในสิ่งที่ชอบไหลไปในสิ่งที่ชอบไหลไปในสิ่งที่ชอบเพราะไอการดิ้นรนในขณะเดียวกันเมื่อเขามีปกติไหลไปในสิ่งที่ชอบมันก็เกิดสิ่งที่ เมื่อไอสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ชอบมันก็มีความไม่ชอบไอไม่ชอบอยู่ที่ไหนอยู่ข้างในไอสิ่งที่อยู่ข้างนอกนี่แหละไอสิ่งที่อยู่ข้างนอกชอบอยู่ข้างในสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่ชอบอยู่ข้างในสิ่งที่อยู่ข้างนอกชอบอยู่ข้างในสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่ชอบอยู่ข้างในไอสิ่งที่อันเดียวกันอาจจะเป็นชอบ อาจจะเป็นไม่ชอบเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่จิตเมื่อเราจะให้เขาหยุดอยู่กับอารมณ์อันเดียวเขาจะต้องมีการดิ้นรนกวักแฝงเราอาศัยอะไรอาศัยไม่ไหลไปกระเขา่าไม่ไหลไปกระเขากลับมาทำกิจของตนให้มันแน่วแน่อยู่กับการรู้ลงยาว ไหลออกไปก็กลับมาไหลออกไปก็กลับมารู้ลมยาวแน่ๆไปเรื่อยๆในที่สุดในเบื้องต้นเขาก็าจะหมอบอยู่ตรงนั้นน่ะหมอบอยู่นั้นเหมือนลูกวัวที่เข า, าอย่าท่าทำเพนิมันเธอยยะดับมังวัชชงนโรอิทาบันเตยเยวังสักังจิตตังสติยารามะเดทันหังว่าการฝึกจิตนั้นให้เหมือนบุคคลฝึกลูกวัว ลูกวัวตัวซนก็จับผูกไว้ที่เสาอ่จับลูกวัวตัวหนึ่งผูกไว้ที่เสามันดิ้นรนมันซนอะมันดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นอ่ดะมังวัดช่างนโรอิทะเนี่ยคือว่ามันดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นฝึกมันฝึกมันมันดิ้นดินดินไปสุดเชือกเชือกผูกไว้เชือกผูกไว้เชือกผูกไว้มันดิ้นดิ้นดิ้นพอสักพักหนึ่ง เดี๋ยวมันก็มาหมาะราบอยู่ที่เสาบันเทยเยวังสังจิตตังสติยารมัตเดดันหังหมายความว่าคนผู้ฝึกจิตนี้ก็เหมือนกันผูกจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวมันก็ดิ้นเหมือนกันนะมันก็ดิ้นเหมือนกันแต่ผูกจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติสติยารมมตเดดันหังผูกจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติสติมันจึงเป็นเสมือนเชือกคอยผูกไว้ผูกไว้ผูกไว้ พอมันดิ้นไปเถอะมันก็ดิ้นไปแต่เราอย่าดิ้นตามดิ้นไปก็รู้ ก, กลับมาดิ้นไปก็รู้กลับมาเดี๋ยวก็มันก็จะหมอบราบคาบอยู่ที่เสาวความเคยชินความอนั้นก็จะิสติก็จะตั้งมั่นขึ้นเมื่อสติตั้งมัน่นอุเบกขาก็ปรากฏเออถ้าสติไม่ตั้งมัน่นอุเบกขาไม่ปรากฏสติตั้งมัน่นคือสติเป็นแบบไหนไม่มีลักษณะไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะ ไม่ฟุง้งซ่านเป็นลักษณะก็เหมือนลูกวัวที่บอกพ่าเราจับผูกเพราะมันดึงเชือกตึงเลยนะดิ้นไม่ต้องดิ้นดิ้นดินดินินลอยไป <c ười> แต่เชือกต้องอยู่เอาน้านาานําใหา้กินเอาอาหารให้กินน้ําให้กินอไรย่างนั้นเดี๋ยวมันก็มาหมอบอยู่ที่ไอพวกสัตว์ที่มันเดินตามหลังเวลาคนสางซ้ายซ้ขวาขวาขวาแต่ก่อนนี้มันดิ้นทุกตัวหละใหม่ใหม ม, มันดิ้นทุกตัวมันยิ่งกว่าลิงทมอนอยู่ในปา่า เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมุ่งมั่นแน่วแน่อยู่ในกิจนะในกิจอนพูตอันนี้ก็หลุดมาได้หลุดมาได้มั่นใจว่าหลุดได้ตรงนี้อืมอืมอันนี้ก็นนี้มีอะไรบ้างตอนนั่งมีเยอะไรครับฟัง <c oughs> <c oughs> ชันฟชันพูดได้พูดได คือให้เข้าใจอย่างนี้การนั่งภาวนาไม่ใช่เก่งไม่ใช่ไม่เก่งไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วให้เข้าใจอย่างนี้นะถ้าเราเอาสิ่งที่เรานั่งแล้วมันเกิดนั้นมาคุยกันตามความเป็นจริงเราจะแก้ได้ง่ายมากเราก็จะปรับปรับปรับปรั บ, รบเหมือนเราเข้าป่าไปหาไม้มาท่อนหนึ่งแล้วเราจะทำด้ามพระแล้วเราก็บอกว่า เอาไอ้ตรงที่สุดนะเอาด้ามที่มันตรงถ้ามันดัมถ้าว่าต้นไม้ต้นไหนที่มันตรงแล้วมันจะง่ายมันทําด้ัมพร้าเนี่ยมันจะง่ายเราก็เข้าป่าเราก็ไปหากันมาอันนี้ก็ไปหามาอันนี้ก็ไปหามืองแต่มั่นใจว่ามันตรงแล้วแต่เอ๊ะมันรู้สึกว่ามันมันมันยังเป็นดําพร้าไม่ได้มันต้องเอามาดูหน่อยสิ อ่าเข้ามาดูโอ้ยนี่ปุ่มนี้ปุ่มหนึ่งนี่ปุ่มหนึ่งนี่ปุ่มหนึ่งนี่เงี้ยงแง่งหนึ่งอันนี้ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกนะส่งกลับไปเออส่งกลับไปก็จับมาเอามีดอาขวานมาหั่นเถือเอาด้านออกออกออกอเออมันได้แล้วยังวะบางทีตัวเองมันตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมก็มาสนทนากันปรึกษากันคนที่เขาทาเป็นแล้วก็เอออันนี้เอาเอาขวานเถือตรงนี้ไปหน่อยนี่ไปหน่อยนี่ไปหน่อยนะ แล้วก็ออกไปอีกดูมันยังโค้งๆออก่อไฟเข้าก่อไฟเข้าแล้วก็จับปั้วแล้วก็ดัดนะรมไฟแล้วก็ดัดรมไฟแล้วก็ดัดรมไฟแล้วก็ดัดดัดัดดัดงอเกินไปอีกเอาก็ดัดไปดัดกลับดัดไปดัดกลับอย่างนั้นคือทำอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราคือสภาวะมันจะมารองรับความผิดความถูกขึ้นแล้วก็ มันจะมีตัวที่ถูกต้องตัวที่ควรทำตัวที่ควรเว้นตีตัวที่ควรละซึ่งมันเกิดในเนื้อ ง, งานที่เรากำลังปฏิบัตินั้นอยู่เหมือนที่เรานั่งอยู่บอกโอ้โเกิอบมาเยอะเลยไอ้เยอะเลยนี่เข้าใจว่ากำลังคิดว่าตัวเองฟุง้งซ่านใช่ไหมเออลองคุยให้ฟังสิลองคุยให้ฟังว่าตั้งแต่นั่งมารู้ลมแล้วเป็นยังไงรู้ลมตรงนั้นแล้วมันเกิดอาการยังไงลองลองคุยพูดให้ฟังแรก ก็พอกลับลงได้คร so ับภากมันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกหลุดหลุุไปแล้วก็พอรู้ตัวก็จะกลับมากลับมาใหม่เนี้ยครับก็จะไปไปกลับไปไปเราปกติเราไม่เคยนั่งสมาธิเลยแล้วลองถามแต่ละคนลองถามแต่ละคนว่าแรกนั่งสมาธิเป็นยังไงมั่งอันนี้คือ เนเวนเออรเอออะไรนะโะชื่ออะไรเราอ่ะคอโดคุดูโดคุดูโดเมื่อกี้ฟังเขาพูดได้ยินไหมได้ยินครับเมื่อก่อนเป็นยางงั้นไหมเหมือนกันเหมือนกันเป็นเจ้ัเป็นูเออไพวันเป็นยางงี้ไหมเป็นเจ้าค่ะเป็นไหมโอ้เป็นไหมเป็นคัเป็นใช่ไหมนงนอ่ะเขาเรียกว่า เหมือนที่ผูกเมื่อกี้เหมือลูกวัวมันดิน้นคือมันยังไม่เชื่อนั้นตรงนี้เพียรต่อไปแต่ทําถูกเขาทาถูกแล้วยังทําถูกแลใช่ไหมคือรู้ว่ามันพครงการก็กลับมาไม่ก็กลับมาไม่ก็กลับมาต้องกลับมาอย่างนี้บ่อยๆ อ, อย่าท้อกับการกลับมา <c oughs> มีหลายคนร้องห่มร้องไห้หนีทิ้งการปฏิบัติเพราะ เบื่อท้อกับการกลับมาพอสักครั้งหนึ่งสังเกตได้เวลาเวลาเขาไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่เขาไม่หลุดไม่ใช่เขาไม่คิดแต่จิตที่รู้มันไม่เอาจิตรู้เขาจะไม่เอาเรื่องที่หลุดออกไปจิตรู้เขาจะไม่เอาเขาจะรู้ทันเพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะที่ข้าวเพียนภาวนามาตลอดนั้นมันพัฒนาขึ้นมามันแข็งแรงขึ้นมา เราเรียกว่าตัวรู้เขาแข็งแรงขึ้นมาเขาก็จะเห็นถึงนะ้นเขาจะแยกแยะออกทันโดยอัตโดมัติ mm hmm. พอแรกๆตัวสติสัมปัญญาตัวรู้มีกําลังอ่อนพอมีกําลังอ่อนเมื่อเขหลุดออกไปการหลุดไปเลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะอาการที่เขาหลุดไปก็หลุดไยด้วยอํานาจของโทสะด้วยอํานาจของราคะด้วยอํานาจของโบหะด้วยอํานาจของอภิชาด้วยอํานาจของมันมีเบื้องหลังของทุกๆครั้งที่เขาหลุดออกไป และไอตัวที่อยู่เบื้องหลังของทุกครั้งที่เขาหลุดออกไปนั้นมันมีอํานาจ ม, นมีกําลังเหนือกว่าตัวรูปเหนือกว่าจิตรูเหนือกว่าจิตผู้รู้เพราะนั้นถ้าเขาหลุดไปนานนั้นแสดง ว, ว่าเขามีอํานาจมากกว่าเยอะแต่ตัวศรัทธาเรียกว่าอินทรีตัวศรัทธาในการที่จะนั่งปฏิบัติกับความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเป็นตัวช่วยที่จะดึง กลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาพอดึงกลับมาบ่อยๆบ่อยๆตัวสติเนี่ยก็มีกําลังขึ้นมาตัวรู้ ม, มีกําลังขึ้นมาตัวศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นและในที่สุดไอ้ข้ามผ่านตรงนั้นไปได้หมายความว่า จ, จิตตัวนั้นเชื่องได้เชื่องได้ด้วยอํานาจของอะไรด้วยอานาจของศรัทธาและสติเป็นสัตินีและสตินทรีเป็นเรื่องปกติที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วมีอะไรอีกไหม ไอ้ที่ว่าเยอะนะคือเรื่องราวที่เขาหลุดไปใช่ไหมเดี๋ยวก็แล้วก็เป็นบ้านเป็นงานเป็นมีเรื่องเยอะแยะเลยหลุดไปแล้วพอกลับมาปั๊บพอจิตพอรู้ลมปั๊บเรื่องนั้นหายไปเรื่องอื่นกลับมาอีกใช่ไหมเรื่องอื่นกลับมาอีกดึงกลับมาปั๊บพอรู้ลมปั๊บเรื่องนั้นหายไปเรื่องอื่นกลับมาอีกรู้ดอกไปก็ดึงกลับมารู้ลมปั๊บเรื่องนั้นหายไป เห็นยังว่าเรื่องนั้นที่จิตดลุดออกไปคิดมันเป็นอนิจจังเห็นไหมเรื่องที่จิตหลุดออกไปคิดมันเป็นอนิจจังเพราะถ้ามันเป็นนิจจังคือมันจะต้องไม่กลับมามันจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแน่วแน่เที่ยงแท้แค่เราดึงจิตกลับมารู้ลมปั๊บเรื่องนั้นหายไปแล้วดึงจิตกลับมารู้ลมปั๊บเรื่องนั้นหายไปแล้วดึงจิตกลับมารู้ลมปั๊บเรื่องนั้นหายไปแล้วแสดงว่าเรื่องนั้นๆที่จิตดลุดออกไปคิดเป็นอนิจจัง มันเป็นอนิจจังถ้าจิตรู้เมื่อใดว่านั่นเป็นอนิจจังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็ไม่ออไอ้นั่นหมายความว่าสติมีกำลังแข็งแรงขึ้นมาตัวรู้มีกำลังแข็งแรงขึ้นมาเพราะการรู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันรู้ไอ้นี่มันเป็นแค่เกิดแค่ดับแค่เกิดแค่ดับแค่เกิดแค่ดับอ้าวคนอื่นมีอะไรไหมนั่งสนทนากัรคนใหม่เนี่ยคนใหม่เนี่ยเอา ตอนแรกๆอะค่ะมันจะเหมือนกับเราเป็นคนบอกว่าลมหตุใจเราเจะเข้าหรือจะอืมแต่ว่ามันจะมีจุดหนึงที่เราจะรับรู้รู้ เ, เห็ุใจได้โดยที่เราไม่ได้คิดเรื่องเขา้าออกแล้วเก็จะเข้าใจสิ่งที่เข้าใจว่าอาจารสอนเหมือนเรารับรู้ว่ามันยาวแค่ไหนอืมตอนที่อาจารพู่นะคะ ไม่งให้เข้าใจาแต่ว่าภาพพอมา<อ>เดินจุดนั้นซึ่งเรียกว่ามีสภาวะมารงรับหนูไม่รู้ว่ามันไปได้ยังไงมันแบบกับช่วงแรกก็จะเป็นไทยๆกั บ, ก, บกับเพื่อนคือก็มีติฟูมมีความกับกามร่างกายอัน น, น, นี้อันนี้เสียงนี้ได้ยินไหมฮะออกออกนี่บ่ เรอไม่ได้บันทึกอ ะ, ะดเดีย์ให น, นั่นนะฮะโอะ้ต่อด้แล้วมันก็จะมีภาวะนที่พอเริ่มรับรู้ลมหายใจตามจริงค่ะหลวอาธิบายใกอืมเป็นหัวเราะโอว่าแื่ว่ า, วาลมมันเข้าแล้วก็ลมมันออก แล้วก็จะค่อยๆรับรู้อย่างนั้นว่าก็เดี๋ยวท่าสมองความจิตมันแหวกนินมันก็จะเริ่มมีบงงังอย่าเข้ามาแทรกเออเราก็จะวนกลับมาว่าอโอเคเราหูุตัวก็จะมีบางช่วงที่รลุตัวทันบานช่วงก็จะหลุไม่ทันอืมอ้าวลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่เป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องแปลกไหมมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแต่เราจะรู้สึกจะปกติถ้าจะคุยกันอย่างเนี้ย มันหายใจออกหายใจเข้าอยู่แล้วแต่คนโดยสัญชาตญาณว่าอ้าวมาเจรินานาปานสติกานตัวเล็กหายใจจงกาแฟกินกาแฟกินน้ำชาเนี่ยหายใจไหมหายใจไหมหายใจนินทาเพื่อนหายใจไหมหายใจอยู่ในวงเล่าหายใจไหมไปสังสารหารวันเกิดเพื่อนหายใจไหมเออหายใจตลอดแต่พราะว่าอ้าว มาทำอาณาปันสติกันนาหยุดการหายใจก่อนแล้วก็เริ่มกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพออาจามาบอกว่าเฝ้ารู้ลมหายใจออกให้ลมหายใจออก มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนหายใจออกไม่ใช่เราต้องคนหายใจทีลมหายใจไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นคนหายใจแล้วมันจะได้ยังไงเราจะต้องหายใจที <networks> คือไอความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกข้างนอกที่จะเข้าไปพยายามทำความเข้าใจกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าไม่ใช่รู้แต่พอเราไป เฝ้ารู้แม้นว่ามันเกิดจากการกำหนดเมื่อเฝ้าไอตัวเฝ้ารู้นี่มันมีกำลังขึ้นมามันก็จะเห็นลมหายใจมันจะรู้สึกได้กับลมแม้นว่ามันกำหนดอยู่แม้นว่าลมที่ออกนั้นเราก็กำหนดด้วยลมเข้าเราก็กำหนดด้วยแต่อรู้ที่มีกำลังแรงเขาจะเห็นได้เลยว่าลมหายใจออกอย่างหนึ่งลมหายใจเข้าอย่างหนึ่งแล้วเราก็อ๋อขึ้นมาอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่เบื้องต้น การที่อ๋ออย่างนี้เห็นลมหายใจออกอย่างนั้นเห็นลมหายเข้าอย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าเข้าสู่สันตะคือความสงบยังไม่ได้ปราณีตนั่นคือการเข้าสู่ความสงบคือการรู้แยกอย่างชัดเจนระหว่างนิมิตลมหายใจออกลมหายใจเข้ากับศัพที่อราจะมาพูดเมื่อกี้ว่านิมิตตังอจซาสะปาซาสานารัมมานะเอกจิตตสสอชาณโตตโยธรมเบภาวนานูปลปติ นี่คือการเริ่มต้นในการได้เข้าภาวนาคนน้นมีอะไรไหมต้อ ง, ต, องต้องมีสิแต่ว่าเราจะกล้าพูดหรือไม่รับพระอาจารย์ครับสภาวะมันเหมือนมันดิ่งลงไปสักพักหนึ่งมันจะเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นอืมอะไรนะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่น เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นไอ้กึ่งหลับมาคือถีนามิทะไอ้ที่ตื่นเน่ยคือสติระหว่างสติกับตัวถีนะมั น, ม, นมันเกิดสลับกันเราก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้ว่าเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนี้เรารู้ทีหลังใช่ไหมเราไม่ได้รู้ตอนนั้นเราไม่ได้รู้ตอนที่เรากึงกงาก่งหลับกึ่งตื่นเพราะไอ้กึ่งหลับกึ่งตื่นเราจะไม่สามารถรู้ได้ แต่พอมันผ่านไปแป๊บหนึ่งเราก็จะรู้ได้ของเาเมื่อตะกี้นี่มันกึ่งหลับกึ่งตื่นไอ้ตัวที่รู้เมื่อตะกี้กึ่งหลับกึ่งตื่นตัวนี้สําคัญตัวนี้เรียกว่าอนุปัสสติคือการทําเป็นอนุปัสนาคือตามหลังก็ไปเพื่อรู้ในสภาวะที่มันเกิดและดับไปแล้วเนี่ยให้มันชัดแยกกันมันชัดอ๋อนี่มันกึ่งหลับกึ่งตื่นอ๋อนี่มันกึ่งหลับกึ่งตื่นอ๋อนี่มันกึ่งหลับกึ่งตื่นไอ้กึ่งหลับเนี่ยคือถีนมิถะเป็นตัวนิวรกึ่งตื่นคือมันเหมือนกับรู้แต่มัันหลบ มันเหมือนไมนมีหลับนะแต่ว่ามันมีสติเออมันม so ันหลับอยู t t t ่แต่มันเหมือนมีสติมันเหมือนหลับอยู่แต่เหมือนมีสติแต่อารตัวรู้นี้ไม่ได้รู้ตอนนั้นมันรู้หลังจากอ้นั้นผ่านไปเป็นขณะขณะขณะขณะไอ้นี่ถือว่าเป็นอาการที่ทุกคนเคยเป็นหลายคนเคยเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นเป็นไหมเคยเป็นไหมเคยเป็นเคยเป็นไหมเคยเป็นเออเคยเป็นไหมเคยเออ บ่อยด้วยใช่ไหมใคยวันเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเป็นทางผ่านของผู้ปฏิบัติถูกแล้วไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกจนบางครั้งรู้สึกว่ากำลังกลนอยู่หรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็เคยมีไหม <c oughs> เคยมีมันจึงต้องอาศัยการเดินมันมันจะเกิดขึ้นมาบ่อยๆ ในในช่วงที่มันลงไปได้สักพักหนึก็ได้แต่ว่าต้องให้ตัวพัตเราก็ต้องพัฒนาตัวสติตัวสมาธิเนี่ยให้เขาแข็งแรงขึ้นตัวรู้ไแข็งแรงขึ้นต้องอาศัยการเดินอาศัยการเดินด้วยมันมันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่ผมเคยเจออยู่ในภาวะที่แบบมันดิ่งลึกเร็วเกินไปแล้วมันทำให้เหมือนรู้สึกว่าตัวเองมันเป็นกิเลสคือ คือติดอยู่ตรงนั้นอืมแสดงว่ามันมีศรัทธาตัวตมันมีตัวศรัทธาอยู่คือคือมันมันมันลงไปเร็วเกินไปคือจิตมันมีตัวศรัทธาอยู่อ่ะตัวศรัทธาหมายถึงว่ามันมีตัวศรัทธาคือตัวที่อเอาความถูกต้องอยู่พอมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกผิดปกติไอ้ตัวที่มันมีศรัทธาอยู่่ะมันจะบอกให้รู้ว่เฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ มันอาจจะไม่ใช่กฎก็เลยรีบถอนเอ อ, ออกมาอันนี้คือความถูกต้องเลยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่จะเนี่ยไม่ทํำก็ไปก็คืออยู่กับความนานของลมหายใจเป็นกิจเป็นหน้าที่เป็นกิจหลักเลยลมหายใจออกรู้ความตามความนานของลมเดี๋ยวจะค่อยๆแล้วก็กลับไปเนี่ยไปหาเ อ, อฟังคลิป ของขอร์วัดบุพารามล่าสุดกับคอศร์วัดบุพารามก่อนครั้งก่อนสองครั้งเนี่ยสองครั้งนี้จะเป็นเป็นตัวที่จะอธิบายและทําความเข้าใจตัวนี้ได้ได้ดีมากอืแล้วก็สนทนาสนทนากับคนที่พวกนี้ได้หมดเนี่ยในตรงนี้ได้หมดสนทนาถามต้องถามนะต้องถามต้องสนทนา สนทนาเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะมันอยู่ที่เราเพอเราปฏิบัติปั๊บสภาวะมันปรากฏอะ่ะแต่เราหาคำตอบไม่ได้ซึ่งในขณะที่ทำไมต้อง้องสนทนาเพราะไอคนอื่นที่เขาปฏิบัติมา ก, ก่อนเราเนี่ยเขาก็เจอสภาวะนี้เหมือนกันเพราะกิเลสเนี่ยโลภโกรธหลงเท่ากันไอตัวสภาวะทั้งหมดแหละ มันเกิดมาที่เป็นที่เป็นสภาวะที่ว่าไม่ควรแก่การที่จะเข้าไปหมกมุ่นทุ่มแช่อยู่ก็คือเกิดมาจากอํานาจของความโลภความโกรธความหลงโดยหลักก็คือมาจากอาวิชชาทั้งนั้นแล้วเวลาเราจะเดินนาปานนัติตัวสุดของมันคือวิชาและวิมุตส่วนในพวกพวกสภาวะที่มันมีอยู่ปกตินี่คืออวิชชาทีนี้เวลาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยถอนอวิชชา เพื่อให้วีมุตสมบูรณ์อาการที่เราจะถอนอวิชชาได้มันก็จะเกิดปรากฏเป็นสภาวะต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งทุกคนที่เขาปฏิบัติมาจะมีเส้นทางทางผ่านของการปฏิบัติจะเจอมาลักษณะเดียวกันแล้วก็ไม่ออกทรงนั้นไอคนที่เขาอาการอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เห็นเลข ถ, ถ้าเกิดมันเห็นเลขสามตัวทําไงอถ้าเห็นเลขสามตัวปั๊บมันต้องแห่ สภาวะก็สภาวะเอเอากเ้าบาทสิบบาทเถอะวะแล้วถ้ามันซวยเกิดถูกขึ้นมาทำไงตายเลยติดเลยใช่ไหมเออดีมากอ่ะมีใครอีกไหมคนน้นใหม่ใช่ไหมอ๋อพูดหน่อยพูดหน่อยออกใหม่หน่อยออกใหม่เลยค่ะก็เจอเหตุการณ์เหมือนกันแล้วค่ะ เมื่อตะกี้เนี่ยเมื่อตะกี้ที่นั่งมาหนึ่งชั่วโมงทั้งฟุ้งซ่านทั้งง่วงนอนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เจอเหมือนกับสองท่านใช่เช่นเพิ่งนั่งสมาธิครั้งนี้ครั้งแรกไหมหรือว่าเคยไปฝึกสายไหนมาก่อนก็เคยไปลองมาครั้งนึงอะค่ะไปสวนโมกอ่ะค่ะออืก็เป็นก็ยังเป็นอยู่พูดอะไรก็อาณาเหมือนกันค่ะแต่นั้นมีเดินจงกรมด้วยก็มีนั่งแล้วก็มีให้ลุกเดินจงกรมค่ะ อาณาเหมือนกันเหมือนกันยังไงหมายถึงให้รู้ลมเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะรู้แบบไหนยมอ๋อแต่เขาจะมีว่ารู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกจะแตกต่างจากที่พระอาจารย์ว่าแบบให้เราให้รู้ว่ามันผ่านเข้าไปเฉยเฉยไม่ต้องมีคําบริบทกําหนดใช่ไหมคะมมที่พระอาจารย์พูดแต่ที่รู้มามันก็จะเหมือนกับอ๋อเราหายใจเข้านะเราหายใจออกแต่เราไม่ได้แบบ ว่าแบบอ่อนลมมันเราเข้าไปเราออกมาในในอาณาปานสติทําไมพระอาจารย์นึงสอนแบบนี้เพราะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าที่คังวางอัตราสันโตเอานี้เอาตามทฤษฎีก่อนนะทีกลังว า, างอัตรสันโตดีกลงอัตรสามีติปัาฉานาติพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าปัจฉานาติข้อแรกในขณะที่เรายังไม่ได้รู้ลมหายใจไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราอยู่ข้างนอกอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ไอ้ตอนนี้เราจะมารู้ลมหายใจเนี่ยมันจึงจะต้องใช้ศัพท์ว่าประชานาติรู้หายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวรู้ชัดประชานาติเนี่ยแปลว่ารู้ชัดว่าหายใจออกยาวรู้ให้ชัดว่าหายใจออกรู้ให้ชัดว่าหายใจออกเพราะนั่นคือมันต้องมีการกําหนดเข้าไปการกําหนดเข้าไปรู้ไปเรื่อยเรื่อยรืยรืยืยเ พอขั้นที่สองรัสสั่งวาอัศสั้นโตรัสสั่งอัศสามีติปัะชานตาิกก็ยังรู้ให้ชัดรู้ในความยาวรู้ในความสัน้นความยาวก็จะรู้ตามความนานของมันเรียกว่ารู้ไม่ววเริ่มมันมีอุปกิรณ์มันมีอันตรายอันตรายคือว่า อาการที่จิตมันวันไหวในขณะที่รู้ลมเรวบเฝ้ารู้ตรงนี้แล้วมันวันไหวว่าไอ้ลมที่เข้าไปมันไปไหนไปถึงไหนลองนึกภาพดูนะว่าเราลมเข้าปั๊บเ้าก็ตามมาตรงนี้ตามมาตรงนี้พอลมออกเราออกมางี้ออกมางี้จิตมันวิ่งอย่างเงี้ยมันจะหาจุดสงบได้ไหม หนสองมันหาอุเบกขาเป็นฐานของสติได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยพระพเจ้าเลยใช้สัมปะชานาติทีนี้ต่อไปพอพรัตสั่งว่าพอขั้นต่อไปพระพเจ้าใช้ศับว่าสภกายะปฏิสังเวทีอัศสิสามีติสิกขติสิกขติแปลว่าศึกษาเออ สิทธิตินี่แปลว่าศึกษาศึกษาอะไรไม่ใช่เราต้องไปทำในสิ่งนั้นๆแต่เราทำหน้าที่ในการศึกษาหมายถึงศึกษาเรียนรู้สิ่งที่มันปรากฏศึกษาเรียนรู้สิ่งที่มันปรากฏจำไว้เลยศึกษาเรียนรู้สิ่งที่มันปรากฏสิ่งที่มันปรากฏไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าไปทำแล้ว สิ่งที่เราเข้าไปร่วมทำคือร่วมกำหนดก็คือตอนแรกลมยาวลมสั้นให้แน่วแน่เข้าไปลมยาวเรารู้ลมยาวไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนเกิดความชานาญลมสั้นก็ปรากฏเข้าไปกำหนดรู้ลมสั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนมันชานาญสภากายะปฏิสั่งเวทีตัวนี้ก็จะปรากฏการรู้ลมสั้ปพวงลมทั้งปวงปรากฏก็ทำการศึกษาสิกติทาการศึกษาสิ่งที่มันปรากฏ ไม่ได้ไปทำให้มันปรากฏมันเหมือนมีประตูอยู่สี่หกห้องไอ้มีห้องอยู่สี่หกห้องเราอยู่ข้างนอกเข้าประตูห้องที่หนึ่งเปิดประตูห้องเปิดประตูแรกเข้าห้องที่หนึ่งศึกษาห้องที่หนึ่งให้ชนานาญเพื่อหาประตูห้องที่สองเทไาเดีย ห, หาประตูห้องที่สอง พอเปิดประตูเข้าไปห้องที่สองก็ศึกษาประตูห้องที่สองนี้ศึกษาห้องนี้จนชนานาญจดเสร็จแล้วก็เห็นทางออกไปห้องที่สามศึกษาห้องที่สามก็เห็นประตูห้องที่สี่ก็ไปเรื่อยเๆื่อยเื่อยเื่อืยืเ ย, เ, ยเพราะฉะนั้นถ้าเราถอยหลังนะถ้าเราถอยหลังเอาเฉพาะถึงข้อแปดถ้าเราถอยหลังไว้ข้อที่แปด จิตสังขารนะครับสภาวะที่จิตสังขารมันปรากฏสภาวะที่จิตสังขารระงับมันปรากฏนะจิตสังขารระงับมันปรากฏเพราะมันเกิดจิตสังขารเข้าใจปะสภาวะที่จิตสังขารมันระงับเพราะมันเกิดจิตสังขารจิตสังขารมันปรากฏอย่างชัดแจ้งเพราะสุข อ่าเพราะอะไรเพราะสุขมันเกิดและกระหับสุขมันเกิดอย่างชัดแจ้งเพราะปิติเกิดแลระหับปิติเกิดอย่างชัดแจ้งเพราะกายมันสงบระหับกายมันสงบระหับกายะสังขารมันปรากฏอย่างชัดแจ้งกายกายสังขารระหับเพราะกายสังขารปรากฏอย่างชัดแจ้ง กายสังขารปรากฏอย่างชัดแจ้งเพราะกายทั้งปวงปรากฏนะครับปรากฏชัดกายทั้งปวงปรากฏชัดเพราะเพราะว่าอะไรไกายนี่คือลมทั้งปวงใช่ไหมลมทั้งปวงปรากฏชัดเพราะลมสั้นปรากฏชัดลมสั้นปรากฏชัดเพราะลมยาวปรากฏชัดถ้าถอยหลังกลับไปมันเป็นเหตุเป็นผลกันไปมา เพราะฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่อะไรอื่นเลยเรามีหน้าที่ทํากิจกิจที่มันจะต้องทำตรงนั้นให้มันชํานาญพอชํานาญแล้วมันมันมันไม่มีอะไรที่จะต้องทําพอเข้าพอต่อไปบรลังอื่นๆเนี่ยบรลังต่อไปเนี่ยบาลังเช้าเดี๋ยวก็มีบาลังบ่ายใช่ไหมเวลาเราอยู่บ้านเน่ะเดี๋ยวบรลังบาลัง ค, คือการนั่งแต่ละครั้งเนา ะ, ะข้าแต่ละบาลังแต่ละบาลังแต่บา ล, ลังมันชํานาญในขั้นใดขั้นหนึ่งมันก็ให้มันชํนานาญเลยแต่มาข้าเร็ว ข้าเดียวผลผลของของการทำเหตุให้มันชัดแจ้งมันปรากฏแล้วก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปพอเรามาศึกษาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้มีสภาวะรองรับและเราไปดูที่พระพุทธเจ้าสอนเราไปดูที่พระพุทธเจ้าสอนมันสภาวะที่เราปฏิบัติอยู่มันจะไปปรากฏชัดและจะทำให้เราเข้าใจแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นซึ่งมันจาเป็นที่จะต้อง มีเป็นคู่มือเหมือนกับสูตรคูณที่เราจะต้องจำเพื่อที่จะไปเรียนวิชาคูณวิชาหารอ้าวใครมีคำถามอะไรอีกไหมอ่าเนังตรงนั้นแหละนั่งตรงนั้นแหละอะออคือเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวเจ็บที่นู่นเจ็บที่นี่คือเจ็บแล้วเราก็กำหนดจะขอถามถามทางปฏิบัตินะคะตัวหนูเองเนี่ยตัวโยมเองเนี่ยพอเจ็บปุ๊บ ก็กําหนดให้มันคือยังเดินลมอยู่ด้วยแต่ก็รู้ว่าเจ็บเจ็บจิตอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังรู้รู้รู้อยู่เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็ไปเจ็บที่อื่นอีกแล้วก็เอาย้ายจิตไปที่เจ็บ อ, อันอื่นแล้วก็เรายังก็รู้รู้รู้อยู่เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอันนี้ไม่ทราบทาถูกหรือเปล่าคะไม่มีอะไรผิดนี่ค่ะก็คือสักพักหนึ่งมันก็มันไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดก็ดพอมันปล่อยวางคลายตัวออกไปก็มาที่ลมยาว ที่ยังไม่ค่อยถูกคือลมยาวไม่ชัดไ <c oughs> อ้อ ย, ย่างอื่นไม่มีอะไรผิดหรอกเพราะมันเกิดจริงเพราะมันเกิดจริงก็เข้าไปรู้แล้วก็ปล่อยมันเข้าไปรู้แล้วก็ปล่อยเพราะมันเกิดจริงเออต้องทำลมยาวต้องอยู่กับลมยาวอเอาละพักี๋ไว้กลับมาต่อนะดีสามคนนี้ได้นอนก็ เข้าใจคนนเข้าใจแล้วนะเออดีไปไปแล้วก็ช่วยกันนะใครที่เห็นเขาถามรู้ว่าคนเขามาใหม่ๆเราเคยผ่านจุดนั้นมาเนี่ยถ้ามีจังหวะก็มีความเมตตาแล้วก็เอื้อเอื้อในการที่จะอธิบายเพื่อให้แต่และคนนั้นได้เข้าใจด้วยกันบางทีมันก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรสองเรื่อง การปฏิบัตินี้จะเดินหน้าได้ต้องหนึ่งกัลยาณมิตรสองโยนิสโสมนัสิการถ้าไม่มีสองอย่างนี้ไปไม่ได้อ่ะไปไป